ขนมในหม้อค่ะลิงป่าตัวหนึ่งพลัดหลงจากฝูงเข้ามาในหมู่บ้านที่อยู่ชายป่าแห่งหนึ่งและพบว่าที่นี่มีอาหารอร่อยๆสำหรับมันมากมายหลังจากนั้นมันก็แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้และไม่ยอมกลับเข้าป่าอีกเลยชาวบ้านนั้นเมื่อแรกเห็นลิงตัวนี้ก็นึกเอ็นดูให้อาหารมันกินบ้าง หยอกเล่นกับมันบ้างแต่นานวันเข้าพวกเขาก็เริ่มไม่ชอบใจเสร็จแล้วเนื่องจากวิสัยของลิงป่านั้นหาได้มีความสํารวมอย่างสัตว์เลี้ยงทั่วไปหากมันจะกินอาหารที่อยู่ในมือของใครมันก็จะขู่และแยกเคี้ยวใส่นอกจากนั้นความฉลาดตามเผ่าพันธุ์ยังทําให้ลิงเรียนรู้ได้เร็วเพียงไม่นานมันก็รู้ว่าชาวบ้านแต่ละคนเก็บอาหารไว้ที่ไหน มันจึงเริ่มเข้าไปขโมยอาหารจากในบ้านแล้วก็ยังรื้อค้นทําลายข้าวของของพวกเขาจนไม่มีชิ้นดีบางครั้งเมื่อลิงหาทางเข้าบ้านไม่ได้เพราะเจ้าของบ้านปิดประตูแน่นหนามันก็ขึ้นไปขย่มหลังคาบ้านจนพังลงมาหลังจากนั้นก็เข้าไปในบ้านของเขาบางครั้งมันก็กัดลูกเล็กๆของเจ้าของบ้านและบางทีก็แย่งอาหารจากพวกเขาซึ่งซึ้งหน้า ชาวบ้านก็อดทนไม่ทําร้ายลิงเพราะว่าสงสารแต่นานวันเข้าพวกเขาก็ชักจะทนไม่ไหววันหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านจึงเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อจัด ก, การกับปัญหานี้เอาลูกดอกอาบยาพิษยิงมันให้ตายไปเลยชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งถูกลิงตัวนี้เข้าไปรื้อบ้านเมื่อวานเสนอด้วยความโกรธแค้น ไม่ดีหรอกหัวหน้าบู่บ้านว่ามันเป็นลิงป่าพวกเราจะไม่ทำร้ายสัตว์ป่าแต่ก็เว้นเจ้าลิงนี่ตัวหนึ่งได้ไหมอีกคนบอกเพราะว่าลูกของเขาก็เพิ่งถูกตัวนี้กัดมาเมื่อเชา้าไม่ได้สัตว์ป่าเป็นของป่าเป็นของเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าเราทำร้ายลิงตัวนั้นอาจจะเกิดอาเพศร้ายแรงได้ หัวหน้าหมู่บ้านยังคงยืนยันคำเดิมและลูกบ้านอีกหลายคนก็เห็นด้วยทั้งหมดจึงช่วยกันคิดหาวิธีการขับไล่ลิงตัวนั้นออกไปจากหมู่บ้านโดยไม่ต้องฆ่ามัน <c oughs> เด็กหนุ่มคนหนึ่งคิดออกเขาร้องบอกทุกคนว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราต้องหาทางจับลิงตัวนี้ให้ได้แล้วพามันไปปล่อยป่าที่อื่นที่มันไกลๆ ก, กว่านี้มันจะได้ไม่กลับมาอีกชาวบ้าน เห็นด้วยความคิดนี้หลังจากวันนั้นพวกเขาก็พากันวิ่งไล่จับลิงตัวนี้โดยไม่เป็นอันทําอะไรแต่ถึงกัะนั้นก็ไม่เคยมีใครสามารถจับไอเจ้าลิงตัวนี้ได้เพราะมันเป็นลิงป่าที่หลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมากจนชาวบ้านชักจะถอดใจวันหนึง่งลิงป่าเข้าไปในบ้านหญิงชราคนหนึ่งหญิงชราคนนี้กําลังทําขนมตาล ซึ่งเธอเป็นหญิงที่ทำขนมตาลได้อร่อยที่สุดในหมู่บ้านนางคิดว่าจะทำขนมตาลลูกใหญ่ไปขายในตลาดและก็แจกเพื่อนบ้านซึ่งปกตินางก็จะแจกเพื่อนบ้านทุกวันแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยอเผอิญมีขนมตาลส่วนมึงเหลือหญิงชาราไม่มีภาชนะสำหรับใส่ขนมที่เหลือก็เลยเอาไปใส่ไว้ในหมอ้อหม้อเหล็กปากแคบๆไว้ก่อน เจ้าลิงป่าเนี่ยแอบมองเหตุการณ์นี้อยู่ตลอดมันเห็นที่ซ่อนขนมแล้วคันพอหญิงชาราเดินออกจากครัวไปมันก็จะกระโจนเข้าไปทางหน้าต่างแล้วก็รีบเอามือล้วงลงไปหาขนมปานในหม้อทันทีแต่หม้อนั้นปากแคบมากลิงป่าจึงไม่สามารถดึงขนมออกมาจากหม้อได้ตอนนั้นเองหญิงชาราก็เดินเข้ามาเห็นพอดีนางก็ร้องด้วยความโกรธว่าชิคชะ เจอลิงชั่วแกมาขโมยขนมของข้าอีกแล้วรึมาแล้วพวกเรามาจับมันมาจับมันมันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็พากันเฮโลมาจับลิงที่บ้านหญิงชราเจ้าลิงป่าตกใจรีบกระโจนหนีแต่เพราะความตกะกระมันจึงไม่ยอมปล่อยมือจากขนมในหม้อแล้วมันก็วิ่งหนีชาวบ้านไปโดยต้องเอาหม้อเหล็กหนักๆไปด้วยในที่สุด เจ้าลิงก็อ่อนแรงและเป็นลมชาวบ้านจึงจับมันใส่กระสอบแล้วพาไปปล่อยยังป่าที่ลึกไกลจากหมู่บ้านที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเจ้าลิงตัวนี้อีกเลยเธอทั้งหลายหากเปรียบขนมในหม้อเหล็กปากแคบที่ลิงป่าแบกหนีชาวบ้านนั่นก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนทุกข์ที่มนุษย์นิยมแบกไว้กับตัวเอง หากถามว่าความสุขกับความทุกข์ใครชอบสิ่งใดมากกว่ากันทุกคนคงต้องตอบพร้อมกันว่าความสุขแต่กระนั้นสิ่งที่พวกเขาแบกไว้จริงๆกับเป็นความทุกข์ที่หนักอึ้งซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากในแต่ละวันของชีวิตเราเราต้องพบเจอกับเรื่องต่างๆเป็นร้อยเป็นพันบางเรื่องทำให้เราทุกแสนสาหัส และเราก็คงไม่มีวันลืมมันไปง่ายๆแต่เวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆผ่านช่วงเวลาที่เกิดทุกมานานมากแล้วแต่ความทุกนั้นก็กลับยังอยู่มันอยู่เพราะเรายึดติด ก, กับมันทั้งๆ ท, ที่มันทำร้ายเรามันอยู่เพราะหัวใจของเราไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับการเวลาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเสียใจให้ตายร่าร้องจนน้าตาบุนสายเลือด เธอว่ามันจะย้อนกลับมาให้แก้ไขหรือป้องกันอะไรอีกได้อีกไหม ท, ท, ทั้งๆที่ความจริงมันจากเราไปนานแล้วแต่ใจปวดปวดของเราก็ยังจะเอื้อมไปดึงไปรั้งเงามันไว้อีกถ้าเธอเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจากเรื่องที่ผ่านไปแล้วเสียบ้างเธอก็จะดื่มด่ำกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้วดูนั่นสิความสุขอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเพียงแค่ปล่อยวาง